หลวงปู่จาได้เดินทุดงไปอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กับพระอาจารย์หนูสุจิตโตนะคะแล้วก็มีตาผ้าขาวไปด้วยหนึ่งคนค่ะก็ได้ไปปักกลดบนหลังดอยที่มีลักษณะเป็นหลังปลาช่อนนะคะด้านหนึ่งของภูนี่ก็จะเป็นสันสูงหลังปลามีซากเจดีปรักหักพังอยู่อีกหนึ่งองค์อีกด้านหนึ่งเป็นผาชันค่ะ โดยหลวงปู่จามก็ได้ปักกลดมุมหนึ่งขององค์เจดีย์ด้วยนะคะส่วนตาผ้าขาวก็ปักกลดอยู่อีกมุมหนึ่งที่ตรงข้ามกันส่วนพระอาจารย์หนูก็ปักอยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าผานะคะชาวบ้านได้ทัดทานนะคะว่าอย่าปักกลดแถวนี้เลยเพราะว่าจะเกิดเพศภยัยเพราะว่าเคยมีพระแลวก็คารวาสเนี่ยคือขึ้นไปเพื่อที่จะปักกลดนอนบนภูเขาตัวนี้เนี่ยนะคะก็ถูกอาถรรพ์ โดยเกิดเป็นภาพหลอนให้เห็นว่าเป็นน้ำจึงวห้หนีน้าแต่ว่าเป็นการว่ายอยู่บนบกค่ะอกแท้กับพื้นดินพื้นหินเกิดเป็นบาดแผลฟกช้ำดำเขียวอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าตาผ้าขาวค่ะดันปากโป้งบอกว่าไม่กลัวหลวงปู่จาบอกว่าจะมาภาวนาหาทางพ้นทุกไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆ พอเริ่มพบคำเท่านั้นแหละนะคะต่างคนก็ต่างเข้ากรดในขณะที่กําลังสวดมนต์อยู่นะคะตาผ้าขาวมองเห็นชายนุ่งผ้าสรงเดินไปมารอบกรดภาวนาจิตก็ไม่สงบนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดคืนพอรุ่งเช้าก็เห็นแนบกลับไปส่วนหลวงปู่จามค่ะขณะสวดมนต์ได้ยินเสียงคล้ายค้างคาวบินไปมาอยู่รอบกรด3ตัวนะคะแล้วก็เข้ามาในกรดแล้วก็กระโดดเกาะหลังรู้สึกว่าคล้ายกับสําลีมาสัมผัสที่เนื้อหนังของท่านท่านจึงเอามือปัด ก็กระจนหนีแล้วก็ได้ยินเสียงร้องคิกคักคิกคักเป็นเสียงคลายผู้หญิงเน่ยนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีไฟฉายนะจะมีก็แต่เทียนไขจึงต้องภาวนาไม่ได้อ่าจนต้องนั่งแบบภาวนาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพอคืนต่อมาค่ะคืนที่2เกิดเหตุการณ์ลักษณะทํานองเดียวกันแต่ว่าต้องนั่งภาวนาตลอดคืนนะคะส่วนกลางวันก็ต้องหลับพักเอาแรงไว้สู้กับอม น, นุษย์ที่มองไม่เห็นตัวต่อไปเริ่มค่าแล้วล่ะค่ะในคืนที่3าม หลวงปู่จามก็รำลึกถึงโอวาทของหลวงปู่ตื้ อ, อขณะอยู่ที่วัดป่าห้วยน้ำริน อ, รอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยให้สวดบทพุทชงคัพปรลิสนะคะช่วยระงับเหตุเพศภัยอาเพศต่า ง, างหลวงปู่จามจึงสวดบทนี้แทนการภาวนาพุทโธสวดพุทธชงหลายๆทเที่ยวต่อเนื่องทําให้จิตใจสงบรวมลงเป็นสมาธิค่ะสิ่งที่เคยรบ ก, กวนไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เลยพอจิตของหลวงปู่จามสงบเป็นสมาธินานพอสมควร ก็บังเกิดความสว่างสวยัยมองเห็นได้ทั่วบริเวณปรากฏว่าเป็นร่างของผู้หญิง3ามคนค่ะคนที่เคยกระโดดเกาะหลังหลวงปู่จามนั่นแหละเราก็ส่งกระแสจิตขู่เข็นว่าจะใช้กระสินไฟเผาร่างอามนุษย์อมนุษย์ตอนนั้นก็เลยทําท่าตัวจนตัวสัน่นแล้วก็บอกว่าที่มารบกวนเนี้ยเพราะว่าได้รับคําสั่งจากเจ้านายผู้ชายที่นุ่งสรงบอกว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติที่นี่เฝ้าสมบัติที่นี่เขาห่วงสมบัติเขาต่อมานะคะหลวงปู่จําก็ได้เห็นภาพ ชายคนนั้นแหละยืนอยู่มือถือพระพุทธรูปทองคำพร้อมกับเทียนสองเล่มอีกมือหนึ่งก็ถือแก้วมันีบนเชิงรองลูกแก้วมันีเปล่งแสงสว่างประกายตัวแก้วมันีนี้ก็จะใหญ่ประมาณสักไข่ไก่ได้นะคะโดยหลวงปู่จาจึงส่งกระแสจิตตวาดไปว่ามารบกวนทำไมอมนุษย์ตอบนะคะว่ากลัวท่านจะมาขุดเอาทรัพย์สมบัติแล้วก็ของมีค่าใต้เจดีย์นี้จึงต้องหาทางให้ท่านหนีไป หลวงปู่จามจึงบอกว่ามาที่นี่ไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองใดๆเรามาภาวนาเพื่อหาทางหลุดพ้นมารบกวนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหรอไม่กลัวจะตกนรกหรอหลวงปู่จามถามแล้วในมือเจ้านั่นคืออะไรอามนุษย์ที่นุ่งโจงกระเบนนุ่งผ้าสรงเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่าสมณะไม่สำรวมท่านก็เลยขู่ไปอีกบอกนุว่าเดี๋ยวจะใช้เตโชกสินเผาให้เป็นจุนหลอก พวนั้นก็กลัวลนลานร้องขอชีวิตท่านก็เลยกล่าวลำอา่าสำทับว่าพวกเจ้าไม่รู้จักบุญกุศลเรามาทําบาปทํากรรมอยู่ทําไมจะตกนรกหมกไหมนะต่อมาจึงได้ตกลงว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็จะไม่รบ ก, กวนกันแต่สัญญานี้นะคะจะไม่รวมไปถึงอาจารย์หนูด้วยเพราะว่าต่อจากนั้นพระอาจารย์หนูก็ถูกเล่นงานค่ะหลวงปู่จามทมพระอาจารย์หนูบอกอาจารย์หนูทําอะไรเสียงดังฟันดาบแล้วยังไงเมื่อคืนนี้พระอาจารย์หนูตอบบอกฟันดาบอะไรพวกผีมันอารวาดตัาหาก พระอาจารย์อินถวายสัตวอสันตสโกโนะคะขณะที่ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอนแม่ปังจึงขอให้พระอาจารย์หนูได้ไขปริศนาเกี่ยวกับผู้หญิงสามตนนั้นพระอาจารย์หนูบอกว่ามันไม่เพียงกระโดดเกาะหลังเท่านั้นนะมันเข้ามาจับหํำของอาจารย์ด้วย <laughs> นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะของหลวงปู่จามแล้วก็ของหลวงปู่หนูสุจิตโตนะคะยังไงฝากคุณผู้ฟังไปด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาให้ฟังกันในแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็ช anel ยูทูปพระเจอผีด้วยนะคะ